หัวข้อหลักสมถะที่เป็นฐานหลักปฏิบัติที่แสดงไว้ในบาลีคือพระไตรปิฎกแม้จะมาในที่ต่างแห่งก็มักมีข้อความบรรยายไว้อย่างเดียวกันเป็นํำนวนแบบที่ค่อนข้างตายตัวว่าโดยทั่วไปํำนวนแบบที่แสดงหลัก ปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปัสนาต่อเนื่องกันมีอยู่สองสำนวนและทั้งสองสำนวนล้วนแสดงหลักปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นวิปัสนาครอบยอดสมถะคือบำเพ็ญสมถะจนครบถ้วนบริบูรณ์ถึงสุดยอดของสมถะก่อนแล้วจึงหันมาเจริญวิปัสนาต่อท้ายจัดได้ว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุด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 ดูก่อนอคีเวสนะเรานั้นแหลฉันอาหารหยาบให้กายได้กำลังแล้วในตรงนี้บางแห่งว่าความเพียนเราได้ระดมแล้วไม่ย่อหย่อนสติตารงมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระสับกระส่ายจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์หนึ่งเดียวสงัดจากการมทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปโธมฌาบนบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทถาฌานอยู่เรานั้นรันเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามวัวปราศจากอุปากิเลตเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานคือยาที่ให้ระลึกถึงขันอันเคยอาศัยอยู่ในก่อนได้หมายถึงระลึกชาติได้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 วิชาที่สองนี้แหละเราบรรลุแล้วในมันชฌิมายามแห่งราตรีอวิชาถูกกําจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขย้ายานคือยานที่ทําให้สิ้นอาสวะหมายถึงปรัสรู้เรานั้นรู้จักตามที่มันเป็นว่านี้ถูก นิทุกขสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขนิโรธขามินีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเหล่านี้อาสวะนิอาสวะสมุทยัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธขามินีปฏิปทาเหล่านั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะแม้จากภาวะอาสวะ แม้จากอวิชชาสวะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วรมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีวิชาที่สามนี้แหละเราบรรลุแล้วในปัจฉิ ม, มยามแห่งราตรีอวิชชาถูกกำจัดแล้ว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 บางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาถึง8ประการมิใช่วิชาเพียงสามเหมือนในที่นี้และบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาข้อสุดท้ายคืออาสวะขย้ายานเพียงอย่างเดียววิชา8คือญาณทัศนะอัตถกถาว่าวิปัสสนาญาณ มนโนมยาพินิมานหรือมนโนมยิธิคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้อิทธิวิทาแสดงฤทธต์ต่างๆทิพสโสรหูทิพเจโตปริยญาณยารู้ใจคนอื่นอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวยายาัคยญาณ สํานวนที่สองพบน้อยกว่าสํานวนแรกและไม่ค่อยมีผู้สังเกตสํานวนนี้แสดงสมาบัติ8พร้อมทั้งนิโรสมาบัติต่อโดยวิชาที่สคืออาสวัคยาญาณอันได้แก่การบรรลุอรหัตดูก อ, อานน์เรานันแลสงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอากุศลละธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌาน เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามณสิการที่ประกอบด้วยกามยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นอาพาธคือความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความคิดว่าถ้ากระไรประงับวิตกวิจารเสียได้เราพึงบรรลุทุติยฌานด้วยสมัยอื่นอีกคือต่อมาอีกคราวหนึ่งเรานั้น บรรลุตติยฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนณสิการที่ประกอบด้วยวิตกยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความคิดว่าถ้าไครเราพึงบรรลุตติยฌานโดยสมัยอื่นอีกเรล่านั้นบรรลุตติยฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนาสสิการที่ประกอบด้วยปีติยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดมริว่าถ้ากะไรเราพึงบรรลุจตุทถาฌานโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุจตุททาฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาสิการที่ประกอบด้วยอุเบขายังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าใไรด้วยความก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเราพึงบรรลุอากาศสารนัญจายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอากาศสารนัญจายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาศสิการที่ประกอบด้วยรูปธรรมยังกวนใจได้ อ น, นับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าก็ะไรเราเก้าล่วงอากาานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุวิญญาณัจายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุวิญญาณนัญจายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนาสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะยังกวนใจได้ยังนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดาริว่าถ้ากใไรเราก้าวล่วงวิญญาณนัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอกินจัญญายตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะยังกวรใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดาริว่าถ้ากระไรเราก้าวล่วงอากินสัญญาญตนะเสียพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนารณสิการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะยังกวรใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแกเราเราจึงได้มีความดําริว่าถ้ากระไรเราก้าวลวงเนว่าสัญญานาสัญญายตนะเสียพึ่งเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่โดยสมัยอื่นอีกเหล่านั้นเห็นโทษ ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าถึงสัญญาเวทายตนิโรธอยู่และเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไปดูก่อนอานนนปราบใดเรายัางเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพาวิหารสมาบัติเก้าประการนี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้ปราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญญาในโลกพร้อมทั้งเทพทั้งมารทั้งพรมในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อไดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพาวิหารสมาบัติก้าประการเหล่านี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาในโลก ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แล้วานทัศนะเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าเจโตวิมุตติของเราเป็นอากุปปาคือไม่กำเริบไม่กลับกลายนี้เป็นอันติมชาติแบบนี้พบใหม่อีกไม่มี ข้อความจากอังคุตรนิกายนาวการนิบาตในที่นี้แปลลัดเอาแต่หลักตัดรายละเอียดส่วนมาก